เรามาเจริญสติธทำความรู้สึกตัวนี่เองมันน้อยที่สุดจิตวิานบางคนก็ไม่รู้รู้ไหมพลิกมือไม่รู้บางคนบางคนก็รู้เราต้องพูดแล้วต้องทําไม่ใช่พูดแล้วไม่ทนะํานั่นมันมันเป็นไปได้ยากหรือบางที่อาจจะไม่ได้ก็มีเป็นอย่างนั้นความรู้สึกน้อยๆ อ, อันนั้นเป็นเมล็ดงาเท่ากับเมล็ดงานี่เองเมื่อทํามากขึ้นมากขึ้น ยมันสมบูรณ์ทิศตาก็รู้เลือดไส้แล้วหัวก็รู้หายใจก็รู้อันนี้เรียกว่ามันใกล้ๆจะเต็มแล้วเมื่อมันใกล้ๆจะเต็มแล้วมันเป็นอุปสรรคบางคนก็เกิดปีตีรับหน้าบางคนก็รู้แล้วยังเกิดปีตีก็มีไม่เหมือนกันที่ตรงนี้ดังนั้นคนที่เกิดปีตีขึ้นลงหน้าทําแล้วมันจะรู้เรื่องรูปนามนี่เองมันก็ต้องมีการกระทบ ใครๆคือคนนึ่งปิดประตูไว้คนนึ่งจะดันประตูเข้าไปมันเป็นอ่านี้พอดีคนที่ปิดประตูไว้ไม่อยากให้เขาไปเห็นในบ้านในเรือนเราคนผู้ที่ดันเข้าไปมีกําลังแรงคนที่ปิดไว้ดันไว้นั่นมีกําลังน้อยดันเข้าไปคนที่กํำลังน้อยก็หนีไปแล้วก็ไขหรือเปิดประตูเข้าไปดูที่บ้านก็ แ, แสดงว่าเรารู้ลูกรูน้ํนาเหล่านี้เองอันนี้ อ๋อเป็นอย่างที่คนที่ปิดประตูเนี่ยเกิดภูมิใจเมื่อเข้าไปแล้วอันนี้มันเป็นปีติหลัดหน้าหรือว่าก่อนหน้าจะเข้าไปในห้องได้อันนี้แบบนี้คนที่เป็นปีติตามหลังก็เข้าไปสบายเลยคนนี้พอเดีจะออกประตูแล้วก็เอาแหละเกิดปีติเขามาปิดตัวไว้แบบ น, นี้ปิดตัวไว้ให้อยู่ในห้องแล้วก็ดันออกมามันเป็นอย่างเนื้อปีติมันเป็นขานกลับกันเหมือนที่ว่า เราจะเข้าไปในได้จะออกมานอกอย่างนี้มากลับกันอันนี้เอกตีติเราสมบูรณ์แล้วคือเรารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจอันนี้เป็นวิธีรู้เรื่องรูปนมามวันนี้จะเล่าเรื่องรูปนามให้ฟังรูปนามกับนามรูปเป็นคนละเรื่องกันเรารู้รูปนามบางคนที่ยังไม่รู้นามรูปนะทิศมือขึ้นเป็นเกิดเป็นดับข้อมือลงเป็นเกิดเป็นดับ พิษตาหายใจเป็นเกิดเป็นดับอันนี้เกิดดับโดยสมมติยังไม่ใช่เป็นเกิดดับอาการของนามลูกให้เข้าใจอย่างนั้นจิตใจมันนึกมันคิดมันก็เป็นเกิดเป็นดับเราจะติดอยู่แค่นี้เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดพระวรกลิกว่าจงไปให้พน้นจงไปให้พน้นไลหนีไปไม่ใช่ว่าไลจริงคือไปให้พ้นขมคิดนี้เองบ น, นี้เราก็จงเล้งลงคุ่มเทขมเพียนเข้าไป ไม่ต้องฟังเสียงฟังผ้าี่เลี้ยงหรือครูบาอาจารย์พูดแนะแนวให้ก็ต้องทําพอให้เครื่องมือดีแล้วให้คนแก่ดีแล้วหนายของที่คว่หน้าออกแล้วเปิดของที่ปิดออกแล้วเราต้องไปดูเข้าไปดูก็ไม่ใช่เอาตอนโตเดินไปคือว่าผมรู้สึกคือสัญญานั่นเองจะเข้าไปรู้เองในว่าสัญญาจึงควรหมายรู้จําได้จึงว่าพอดีเราเห็น หรือมันข้ามไปก็ไปเห็นอย่างที่เปิดประตูนั่นเหละมันสมมติพูดให้ฟังเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแนบ่งสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าวัตถุวัตถุดได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุทั้งนั้นจะเป็นภายนอกก็เป็นวัตถุจะเป็นภายในก็เป็นวัตถุวัตถุคือเนื้อหนังผมฟันขนเล็บก็เป็นวัตถุจิตใจที่มันนึกมันคิดก็เป็นวัตถุหรือว่าโภสะโมหโลภก็เป็นวัตถุเห็นวัตถุ เห็นป a r a m a เห็นอาการเห็นซึ่งเหล่านี้ก็มีความสว่างแจ่มใสเดินไปเห็นตะฟังจริงๆแล้วคนเนี้ยไม่ต้องน้ําไม่ต้องท่วมพ่ออะไรเดินไปให้ถึงจริงๆแล้วก็เห็นโศะโมหะโลพะเรียบร้อยแล้วก็เห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเห็นไม่ใช่ตาเห็นใจมันเห็นใจมันรู้ตัวสัญญานั่นแหละมันเห็นมันรู้เรียว่า สัญญาขันรูปขันทีแรกต้องรูรูปขันรูปอันนี้หมดต้นตัวเดียว่ารูปขันเวทนาขันเราเคลื่อนไหวในเวทนาขันสัญญาขันอันนี้ก็รูอันนี้สังขารขันมันปุงมันแต่งวิญญาณขันต้องรูอันนี้อันนี้เขาว่าขันห้าขันสี่บัดเนี่ยขันสี่เขาจะไม่เอารูปนี้เลยเัมนี้เขาเนี่เอาตั้งต้นตัวเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเดียวเขาว่าขันสี่อันนี้ว่าน้ํารูปอันนี้ เมื่อรู้อันนี้ก็ไม่ทุกข์เลยเพราะเวทนาไม่เสวยทุกข์แล้วสัญญาก็ไม่ปรุงในทางที่ผิดแล้วสังขารก็ไม่ปรุงในทางที่ผิดวิญญาณก็รู้รู้ผิดรู้ทุกที่ตรงนี้เมื่อรู้มาที่ตรงนี้ก็จะได้รู้วมักผลเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจสิที่เทคนอื่นจะเข้าใจไหมเข้าใจกับไม่รู้ตัวของตัวเองี่เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็าตาม เราเชื่อมั่นว่าเรามีสัมมาทิฏฐิทิฏฐิจริงามเห็นใครจะมาตัดสินให้เราไม่ได้ไมิตรสาธิติกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยคนอื่นจะรู้ดีเนื้อเรารู้ตัวเราไม่ได้คนอื่นก็ต้องรู้คนอื่นที่ตัวเราก็ต้องรู้ตัวเราที่เข้าใจอย่างนี้จริงว่าสัมมาทิฏฐินั้นมีแต่คำพูดเท่านั้นเองอย่างที่คนไปลักของกันไปตีกันไปปุ้นไปจจ้กันอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นวัตถุภายนอก มันเป็นสัมมาทิฏฐิภายนอกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิภายนอกมันเป็นอย่างไ น, นส่วนสัมมาทิฏฐิภายในและมิจฉาทิฏฐิภายในนี่มันยากมันนานเข้าใจคําว่ามิจฉาทิฏฐิภายในก็คือมืดตื้ออยู่ในใจนั่นเองไม่มีความสว่างในใจนั่นเองนี่เป็นคําว่าสัมมาทิฏฐิภายในนี่ก็ต้องมีความสว่างเห็นแจ้งเดินเข้าไปตะฝั่งได้สบายไม่ต้องอยู่ในกลางน้ําอย่างที่พูดนะ่ะน้ำเจ้าพญา เดินน้ําทะเลน้ําโขงไม่ต้องอยู่กลางน้ำเลยออกไปอยู่บนบกก็ได้เดียก ว, ว่าตาฟังก็ได้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นสมา ธ, ธิิเพราะเรารู้จักทิศทางเดินเข้าไปแล้วเมื่อเรายังไม่รู้จักทิศทางนั้นเดินไปไม่ได้จับคุณจับนี้จับต้นส่วนไปลายไม่ได้จะถือว่าเป็นสมาธิธินั้นมันเป็นได้แต่เราสมมติพูดออกมาคนเดียวเท่านั้นเมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็ต้องทําคมเพียนพุ่มเทลงไปก่อนเห็นกิเลส กิเลสเนี่ยเราพูดได้แต่ไม่รู้จักซื้อเสียงมันมันในเมื่อเราเห็นซื้อเสียงก็จดจําได้กิเลสตัณหาอุปาทานกรรมอันนี้ก็เรียกว่าขันธ์ซี่มาอยู่ในธรรมนองนี้ใช่ไหมสินจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดมันต้องทําตามหน้าที่ของมันในตําราเขาพูดว่าเมื่อผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเรี่ยวเป็นปฐมมาสารหรือเป็นปฐมมาเลิก คำว่าปฐมมาเลิกก็ต้องรูร้ลูบนามลูบนามทุกขังอันนี้จางอนัตตาสมมุติศาสนาบาปบุญที่พูดกันมาแล้วหลายครั้งอันนี้เป็นปฐมมาเลิกให้เข้าใจว่าลัมวงเาสมมติหลวงพ่อพูดเนี่ยคือว่าหลวงพ่อไม่ได้เรียนหนังสือเขาตั้งสถานที่จะลัมวงหรือมีงานสนุกสนานอะไรต่างๆเขาจะมีการลัมวงกันบ้านหลวงพ่อที่แรกแต่เดี๋ยวนี้ก็ เนี่ยนี้เขาไม่ทําแล้วดิเนแต่ก้อนก็เห็นทางกรุงเทพที่ลำวงนักคนไปจากกรุงเทพเนี่ยไปตั้งลำวงเขาก็ทํานํากันรอบแรกนั่นหม่ต้องเก็บสตางเลยอ้าวเป็นปฐมนวโลกลำฟรีเขาว่าอย่างไงเนื่องว่ารูปน้ํานี่พูดให้ฟังเนาะกบับางคนมีปัญญาจําได้ทันทีเดียวลำฟรีไม่ต้องเสียสตางอั น, นี้บัด น, นี้รอบที่สองเขาต้องเก็บสตางมีบัตรประจําตัวถ้าคนใดไม่มีบัตรเขาก็มาให้เข้าไปเล่นด้วยดังนั้นการรู้ มาถูกปรมามัดอาการหรือว่าโทสะโมหะโลภะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรามีบัตรแล้วมีบัตรแล้วเข้าไปได้เข้าไปเล่นกับเพื่อนได้ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอรียบบุคคลแล้วได้ปฐมมาสนจริงๆปฐมมาสานเขาจึงว่าปฐมมาสานผู้ติญาสานตัติญาส า, จานจัตุทัสานปัญจมาานในตำราเขาพูดอย่างนั้นแต่ว่าตัวของผมไม่ได้เรียนตำราอย่างนั้นแต่ว่าเรียนมาแต่มันก็ลืมได้อ่ เขาบอกปฐมมาสานมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตามีองค์ห้าเขาบอกอย่างนั้นองค์ห้าหมายถึงอะไรไม่รู้เลยหลวงพอ่อที่เรียกหลวงพ่อไม่รู้ต่อมาเดี๋ยวนี้ใครจะพูดยังไงฟังได้เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนี่สัญญามันเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากพอดีรู้อันนี้กิเลสอย่างหยาคือโทสะโมหะโลภกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมันลดน้อยไปหรือมันจืดไปจางไป สมมุติให้ฟังว่าเหมือนกับน้ําสีน้ําสีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นน้ํามันเป็นสีพอดีเอาไปลงใส่น้ําเอาผ้าขาวไปลงมันจะติดเนื้อผ้ามาถ้าเป็นสีแดงผ้าก็ต้องแดงถ้าเป็นสีดําเนื้อผ้าก็ต้องดําเมื่อเรายังไม่รู้อันนี้คมโกรดเดวกโทสะโมหะโลภะมันเกิดขึ้นมาข้างใดเกิดขึ้นมาเต็มที่สุขีดมันเลยไม่เป็นอย่างนะั้นจึงว่าคนจึงไม่รู้ คันท่ารู้แล้วไม่ต้องมีบัดนี้มีสัญญาดีแล้วบัตนี้เมื่อกับน้าสีที่เต็มกระป๋องคุณภาพมันไม่มีแล้วเอาไปลงน้นําบัตนี้เอาผ้าไปซุบมันจะไม่ติดเนื้อผ้าติดกันน้อยที่สุดเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นปฐมสารจริงๆไม่ต้องว่าวิตกวิจารปีติดสุขเอขาากขาตาค่ะไม่ต้องพูดก็ไดนน้เป็นอย่างนั้นจึงว่าเข้าใจจริงๆเห็นแจ้งรู้จริงประจักษ์ชัดในใจตัวเอง จิงว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคนอื่นจะรู้ดีเหนือตัวเรารู้ตัวเราไม่ได้อยพูดอย่างนี้ให้ฟังอันนี้ยังไม่กําจัดกิเลสอย่างกลางไม่ได้กาจัดกิเลสอย่างหยาบได้เพราะมีแต่ศีลเท่านั้นเองปัญญายังไม่แหลมคมยังไม่รู้จักกิเลสอย่างกลากงกิเลสอย่างกลางต้องทําไปอีกพักหนึ่งรู้จักศีลดีแล้วจิงวะขันมีศีลรูปขันมีศีลเวทนาขันมีศีล สัญญาขันมีศินสังขารขันมีสินวิญญาณขันมีสินเดียวสินขันสมาธิขันปัญญาขันหลวงพ่อรู้อย่างนี้ขันคือรูปเหล่านี้เองไม่ใช่ว่าขันอันนั้นอันนี้ขันหลวงพ่อก็เลยไปเปรียบไว้ขันดีตักน้าได้กินถ้าขันไม่ดีตักน้าไม่ได้มันขันแตกเนี่ยฝนตกมันก็รั่วที่งหมดพวกเรามาปฏิบัติดีก็เช่นเดียวกันบางคนทําสักว่ารำมันก็นานเต็มถ้าเราทํามีความรู้สึกจริงๆแล้วนั่นเอก็ได้ผลดี เรว่าสินขันสามัญที่ขันตำราเขาพูดว่าอาธิศินสิกขาอาธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาสิกขาแปลว่าต่าว่าคุกหรือว่าทุบวัตีให้มันแตกไปอะไรอย่างนั้นแปลว่าถลุงอะเป็นโรงงานเอาอวัตถุดิบเข้าไปถลุงขันอันนี้ก็ตแปงว่าขันอันนี้แปลว่ารับรองต่อสู้รับรองได้ต่อสู้ได้อาหารมาก็กินได้อาหารดีก็กินอาหารไม่ดีก็ทิ้งไป ตันนี้อารมณ์ดีฟังได้อารมณ์ไม่ดีก็ทิ้งไปเลยมันเป็นอย่างนั้นมันสมมุติีว่ามักผลมักจึงเป็นข้อปฏิบัติผลจึงคือได้รับคือเราได้รับเองคนอื่นรับไม่ได้รู้อย่างนี้มีเงินจากร้อยล้านพันล้านซื้อไม่ได้ต้องทําเองอันนียไม่ใช่เอาเงินเอาทองไปซื้อและไปฟังจากร้อยข้างพันผลก็ฟังไม่ได้ไม่รู้หลวงพ่อเคยฟังเทศมาหลายครั้งหลายผลแต่หลวงพ่อไม่รู้พอดีมาทําอันนี้ปึ๊บใจเดียวก็รู้ เนี่ยทำว่าเอ้ยใจเดียวเนี่กมันก็เร็วมากเกินไปนะฝั่งง่ายง่ายเกินไปคนโอ้ยทําไม่ได้แล้วมันสบายซะน่ยมันไม่เป็นได้แล้วมานยังที่หลวงพ่อเคยส่วนพักพวกมาทําไปทํานู่นโอ้ยมันง่ายเกินไปซะมันเป็นไปไม่ได้เนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยทํามาตั้งห้าลอยซัดนี่เขาไปอย่างนั้นเลยซัดนั้นไปอย่างนั้นซัดนั้นมันเข้าใจผิดกันคันว่าง่ายคันวัญญาเอาต้องทนเอาโอ้ยง่ายเกินไปทําไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นไงมีแต่ทําไม่ได้ คนนี่มันไม่เข้าใจอันใดมันก็ทําไม่ได้เพราะมันเกียจอย่างที่พวกทําสมถะกรรมฐานบันนี้ต้องนั่งหลับตาอย่างนี้ทําเบาๆให้อย่าไปหลับตาทําไมมือตามองขึ้นเห็นอ๋ออย่างนั้นมันก็ไม่พิจารณาตามันฟุ้งซ่านเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นจึงว่าสมถะกรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานเป็นเพื่อนกันแต่ไปด้วยกันไม่ได้ทําไมไปด้วยกันไม่ได้กรรมฐานมันชอบนั่งหลับตาทําความสงบวิปัสนาจึงไม่ชอบนั่งหลับตา ไปด้วยการเห็นแจ้งมันเป็นยางไงแต่ว่าเป็นเพื่อนกันเคยเปรียมให้ฟังเคยสมมุติให้ฟังอย่างคนเล่นเบีย้ยบ้านหลวงพอล่นเบีย้ยดินไท่ท้งนี้อาจจะว่ารวมควุมเดียวเลี่ยนการพ น, านันครอบครัวเลื่อนเดียวก็ตามผัวเมียก็ตามลูกก็ตามเข้าในวงการพนันเนี่ยไว้ใจกันไม่ได้วิปัศนากรรมฐานก็ไว้ใจกันไม่ได้เช่นเดียวกันจังหวะก ร, รมมัฐานชอบสงบแบบไม่รู้สงบจรยธรรมวิปัศนากรรมัฏฐานก็สงบเหมือนกัน แต่ว่าสงบแบบเอารถเท็กเตอร์ไถ่ไปให้มันถอนทั้งหลักทั้งโคนเดียวคำว่าสงบกับคําเดียวเท่า น, นั้นเองสองบแบบไม่รู้ก็มีสงบแบบรู้แจ้งก็มีคำว่าสัญญาเปรียวขมรู้ข่มรู้ที่จาจากคนอื่นมาก็มีสัญญาเกิดมาจากธรมรมชาติก็มีมันเป็นอย่างไร